Thank mm -hmm. you. ได้พูดถึงปิิที่ควรทำเกี่ยวกับอริยสัจข้อแรกก็คือการกําหนดรู้ทุกทุกเป็นสิ่งที่ควรรู้นะไม่ใช่เป็นสิ่งที่ควรละสิ่งที่ต้องละคือสมุ ท, ทยัยหรือว่าปัญหาแต่ว่าถ้าเป็นทุกข์แล้วเนี่ยก็ให้รู้อย่างเดียวรู้นี่ไม่ได้มีความหมายแค่ว่ารู้หรือแจกแจง ว่าทุกนั้นคือเกิดแก่เจ็บตายความโศกความลำบากลาพานความไม่สบายกายความไม่สบายใจความคขับแค้นใจเป็นต้นอันนั้นมันเป็นแค่การจํารู้จําแต่หมายความว่าเวลาทุกเกิดขึ้นกับเราก็ให้รู้รู้ในที่นี้หมายถึงว่าไม่ใช่เข้าไปเป็นรู้ทุกโดยไม่เข้าไปเป็นทุกเพราะว่าเวลาเกิดทุกขึ้นมา จิตใจมันจะเข้าไปจมอยู่ในความทุกข์แล้วก็ดินหรือว่าประสับกระส่าย mm hmm. เกินกว่าที่จะเห็นทุกข์ถ้าจะรู้ทุกข์ก็คือต้องออกมาจากทุกข์นะแล้วก็ทุกข์ก็กลายเป็นสิ่งที่ถูกรู้ไปเมื่อทุกข์กลายเป็นสิ่งที่ถูกรู้มันก็หมดฤทธิ์หมดเดชยิ่งรู้เข้าไ ป, ป น, นี่เรียกว่าเห็นเรียกว่าอดีทุกข์นั้นเนี่ยไม่ใช่เราทุกข์นะแต่ว่า เป็นขันท่าที่มันเป็นตัวทุกข์หรือว่าเห็นรูปนามกายใจมันเป็นทุกข์ไม่มีเราทุกข์ไม่ใช่เราทุกข์เพราะจริงๆเรามันไม่มีตั้งแต่แรกแล้วพอไปหลงยิดว่าเป็นเราทุกข์มันก็เลยเหมือนกับเจอสนุกเข้าไป2ดอกดอกแรกก็เป็นทุกข์คุเวทนาทางกายดอกที่2ก็เป็นความทุกข์ทางใจหรือว่าอาจจะเป็นทุกข์ ที่มันมซ้ำซ้อนกันเข้าไปเช่นมีความเครียดมีความกังวลแล้วไม่เห็นมันมันก็เลยไปทุกซ้ำซ้อนทุกสองชั้นเป็นเกิดความหงุดหงิดเกิดความขัดเคืองขับข้องใจที่ให้ความเครียดมันไม่ยอมไปยิ่งพยายามผลักพยายามดันพยายามผลักไสมันมันก็ยิ่งท้าทายเรื่องการกําหนดรู้ทุก์นะ อันนี้มันเป็นกุญแจที่จะเป็นอิสระจากความทุกข์หรือว่าอยู่เหนือทุกข์ฟังดูแล้วมันก็ไม่น่าจะมีอนุภาพขนาดนั้นนะไอการรู้รู้เฉยๆหรือรู้ซื่อๆอย่างที่หลวงพ่อเทียนหลวงพ่อพคาเขียนมักจะเน้นอยู่ประจําในรู้ซื่อๆหรือรู้เฉยๆนี่ละมันมีอนิสงส์มีอนุภาพมากเผลอเข้าไปในความคิดมันเลยพอรู้จิตมันก็จะถูกดึงออกมา เมื่อถูกดึงออกมาแล้วเนี่ยมันก็เป็นอิสระทุกได้ไอ้สิ่งที่เกิดขึ้นมันก็ดับไปการรู้เนี่ยมันมีพลังมีอนุภาคในพระไตรปิฎกเนี่ยจะมีเรื่องราวเกี่ยวกับมารที่มาหลอกล่อมีลูกไม้สารพัด ท, ที่จะมาก่อกวนภาษาวกปฏิบัติธรรมไม่เว้นแม้แต่พระพุทธองค์ แต่วิธีหนึ่งที่ใช้เราก็ได้ผลสามารถขับไล่มารออกไปได้ก็คือการรู้รู้เฉยๆรู้ว่าสิ่งที่เกิดขึ้นนั่นมันเป็นฝีมือของมารมา น, นี่มันมาในหลายรูปแบบมากนะบางทีก็มาในรูปของเสือของช้างหรือบางทีก็ทำให้เกิดแผ่นดินไหวเพื่อนักปฏิบัติจะได้กลัว กลแล้วก็จะได้เลิกปฏิบัติหนีดีกว่าบางทีก็ปลอมตัวมาเพื่อที่จะล่อหลอกให้ใคลายความเพียรอย่างเช่นมาหลอกหรือามาชักชวนภิกษุณีบางท่านนะบอกว่าอย่าไปหวังนิพพานเลยนะหวังสวรรค์ดีกว่ามุ่งสวรรค์ดีกว่าบางทีก็มาล่อมาหลอกให้คฤหัส่าบางท่านที่เป็นผู้ ปฏิบัติธรรมนะก่อนจะตายเขบอกว่าให้มุ่งไปเกิดเป็นจักรพัตย์ดีกว่าคือพยายามโน้มจิตให้เข้าไปสู่กามคุณหรือว่ากามโลกกามาพบกามภูมิเพื่อว่าจะได้อยู่ในอำนาจของมารแต่ว่าวิธีหนึ่งที่ท <Okay. S 1> ่านเหล่านี้ใช้ก็คือบอกกับมารว่ามารเรารู้จักเจ้าเจ้าอย่านึกว่าเราไม่รู้จัก เช่นมีขานึ่ก็มาหลอกมาก่อกวนพระโมคคัลลานะก็ไปในท้องเลยพระโมคคัลลานะบอกให้ออกมามานก็ไม่ยอมออกมาคิดว่าพระโมคคัลลานะไม่รู้ท่านก็เลยบอกว่ามานพูดมีบาปเรารู้จักเจ้าไป น, นึกว่าเราไม่รู้จักเจ้าพอมานได้ยินเช่นนี้มันก็ออกมาเลยนะโดยดุสเนีเพราะว่ามันกลัวกลัวคนรู้ทัน บางทีก็ไปหลอกไปล่อแผน่นทาแผนดินไว้ให้พระภิกษุที่ชื่อสมิทธินีให้ตกใจจงกระทั้งไปกราบทูลพระพุทธเจ้าพระองค์ก็เลยบอกว่าเนี่ยมันเป็นฝีมือของมารตอนนี้พอมาหลอกมาล่อยทีหนึ่งพระภิกษุสมิทธินี่ก็บอกเลยมารเรารู้จักเจ้าพอมันรู้เช่นนี้เนี่ยมารก็เสียใจเลยยอมแพ้แล้วก็ลำพึงมาว่าพระสมิทธิรู้จักเราแล้ว อย่างที่บอกนิมานี่ไม่เป็นรค่แต่พระพุทธองค์นะบางทีก็พูดยามจันท์พระองค์บอกว่านอนหลับเหมือนตายนยหรือบางทีก็มาชวนให้พระองค์กลับไปสวยราชกลับไปครองราชดีกว่าไม่ต้องมาสั่งสอนผู้คนหรอกบางทีก็ในระหว่างที่พระองค์กำลังบาเพ็ญภาวนาอยู่คือตอนนั้นยังไม่ตัดสูมานก็มาบอกว่าพระองค์เนี่ยได้ บำเพ็ญบุญมามากแล้วนะจะปฏิบัติไปทําไมพรหมจันทร์ก็ประพฤติแล้วคือไม่เกี่ยวข้องกับกามบําเพ็ญตบากก็ทําแล้วบุญที่สั่งสมมาก็เยอะแล้วจะทําความเพียรต่อไปทําไมอันจนพระองคต้องอธิบายว่าเนี่ยพระองค์ไม่ได้มาเพื่อทําความเพียรพระองค์ทำความเพียรไม่ได้เพื่อมาสั่งสมบุญแต่เพื่อมุ่งการหลุดพ้นเนี่มานิยมพยายามชวนให้ มีความไข้แคว่ที่แต่ปฏิบัติธรรมเพื่อสวรรค์บ้างเพื่อบุญกุศลบ้างแต่ว่ากลัวถ้าใครจะปฏิบัติธรรมเพื่อการพ้นทุก์มีคราวหนึ่งพระองค์เสด็จไปพรหมโลกไปสนทน า, า, าพระกราพรหมพระกาพรหมถือว่าเป็นยอดแห่งพรหมมีความสำคัญปิดว่าตัวอย่างนี้เป็นอมตะพระองค์ก็ไปอีแจงว่าไม่มีอะไรที่เที่ยงเลย แม้แต่ประกาพรมก็ไม่เทียงพากกาพรมก็เถียงพระองค์ก็ท้าทายปรกกาพรมมานี่ก็เข้ามาช่วยมาสิ่งอยู่กับพรมตนหนึ่งแล้วก็พูดทํานองว่าพระพุทธเจ้าอย่าไปตอบว่าประกาพรมอย่างนั้นพระองค์ก็เลยหันมาที่พรมตนนั้นแล้วก็บอกว่ามานผู้มีบาป ร, รู้จักเจ้าเจ้าอย่าคิดว่าเราไม่รู้จักเจ้าแค่นี้ มานก็ไปละฉะนั้นจได้ว่าเรื่องการต่อกอนกับมานเนี่ยบางทีไม่ต้องใช้ฤทธิ์เดชอะไรมากเพียงแต่รู้เท่าทันหรือบอกให้มันรู้ว่าเรารู้แล้วเพียงเท่านี้มันก็ยอมแพ้และเพราะมันกลัวกลัวคนรู้เรือการรู้ซื่อๆเนี่ยมันมีพลังแม้แต่มานซึ่งมีฤทธิ์มีเดชเยอะก็ยังต้องยอมแพ้ต่อ การรู้เฉยๆอันนี้ก็เป็นเรื่องที่มีในปัตติปิฎกมาในที่นี้ก็อาจจะหมายถึงกิเลสสมานะที่มันมาก่อกวนให้เราค่อยเขวะในการปฏิบัติธรรมหรือทําให้เรากลัวทําให้เราคลายความเพียนกิเลสสมานนี้ท่านก็ จ, จะอธิบายให้เป็นปุกลาที่สถานก็เลยเขียนให้เป็นเรื่องของมารที่เป็นเหมือนเป็นตัวเป็นตนหรือเหมือนกับเป็นคนเป็นเป็นเทพอย่างหนึ่ง จริงๆมานี่เป็นเทพก็มีนะแต่ว่าถ้าอธิบายแบบคนรุ่นใหม่นี่ก็มานที่พูดมานี่คือกิเลสมาร์ที่มันอยู่ในใจของคนเราที่ทำให้เราเผลอทำให้เราค่อยๆไม่ว่ามันจะเป็นกิเลสมารหรือว่าเป็นมารชนิดหดก็ตามการที่เรามีสติรู้มันเฉยๆไม่ไปวาดวันไม่คล้อยตามไม่เคลือบเคลิมหรือไม่แม้แต่จะไป ใช้ความโกรยความเกลียดขับไล่มันไม่ต้องดุไม่ต้องด่งดาเพียงแต่รู้เฉยๆเพราะนั้นการรู้นะรู้สื่อๆรู้เฉยๆนี่เราอย่าไปประมาทอยา่าไปนึกว่าไม่มีน้ำยาให้ในการปฏิบัตินี่ให้เราพยายามมั่นคงอยู่บนอยู่บนฐานรู้รเอารู้นี่เป็นฐานไม่ต้องมีอย่างอื่นก็ได้รู้ก็ทำให้เห็นเห็นแล้วไม่ขอเป็นก็นจะสู้กับ มานที่จริงมา น, นี่ก็มีหลายอย่างนะมานอย่างที่เมื่อกี้พูดกิเลสมานเธรปุตตมามันยังมีขันธมานมัจจุมานขันธมานก็อาจจะหมายถึงความเจ็บความป่วยความเสื่อมความทุกข์ของขันหรือมัจจุมาคือความตายสิ่งเหล่านี้นะมันก็เป็นสิ่งที่มารบกวนทาลายความปกติสุขของคนและคนเราก็กลัวมาก สองมานี้ความเจ็บป่วยความเสื่อมของสังขารอนธรรมาหรือความตายแต่ที่จริงแล้วถ้าเรารู้ทันมานสองประเภทนี้มันก็ทำอะไรเราไม่ได้เหมือนกันนะและที่จริงแล้วเนี่ยถ้าเรามีสติรู้เนี่ยก็ยังสามารถใช้มันให้เป็นประโยชน์ได้มีพระอรหันต์จำนวนไม่น้อยที่บรรลุธรรมได้ก็เพราะเจอความทุกเนี่ยเจอความทุกอันเนื่องมาจาก สังขารที่แปรเปลี่ยนไปความแก่ความเจ็บหรือความตายอย่างนางกีสาคุตมีเจอความตายของลูกลูกยังเล็กอยู่ยังน่ารักแล้วจู่ๆก็ตายนางก็ยอมรับไม่ได้อุ้มศพลูกเพื่อไปขอให้ใครก็ได้ช่วยเพราะคิดว่าลูกแค่เป็นลมที่สามารถจะฟื้นขึ้นมาได้แต่ใครก็บอกว่าลูกนางตายแล้วนางก็ไม่ยอม ความยึดติดว่าลูกจะต้องไม่ตายก็ทำให้ไม่ยอมรับความตายของลูกได้แต่ใจนิ่มมันก็ยอมรับนะใจนิ่มมันก็พอรู้กัาว่าลูกตายแล้วแต่ไม่ยอมรับก็เลยกระเซาอรกระเซิงจนกระทั่งมาเจอพระพุทธองค์ก็ขอร้องให้พระองค์ช่วยเพราะได้ทราบว่าพระองค์นี้เป็นพระอระหันต์ในสายต่างชาวบ้านคือเป็นผู้พิเศษนั่นแหละก็คิดว่าจะมีฤทธิ์ที่จะดนบันดาลให้ ลูกนี้รอดได้หรือฟื้นขึ้นมาได้พระองค์ก็รู้ดีว่าในสภาพอย่างนี้นะสอนธรรมมาไปกไ็ไม่มีประโยชน์ไปเลยบอกว่าช่วยได้ถ้าเกิดว่านางนี้ไปหาเมล็ดปักกาจากบ้านที่ไม่มีใครตายนางก็ดีใจนะไปหาเม็ดปากกาทุกบ้านมีทั้งนั้นแต่พอถามว่ามีใครตายไหมก็มีกันทั้งนั้นทีละน้อยทีละน้อยนางก็เริ่มยอมรับได้ว่าเออ ความตายเป็นของธรรมดาไม่ใช่ตัวเองเท่านั้นที่สูญเสียคนหนึ่งก็สูญเสียด้วยก็เลยยอมรับได้ว่าลูกตายแล้ว<ม>ก็ไปโปรงศพเผาศพเสร็จแล้วกลับมาหาพระพุทธองค์ความโศกเศร้าก็ยังมีอยู่แต่ว่าพอได้ฟังธรรมจากพระองค์ที่นี้พระองค์แสดงธรรมแล้วพอใจของนางเริ่มที่จะสงบแต่ก็ยังมีความอาลัยความเศร้าอยู่พระองค์ก็แสดงธรรมไม่กี่ประโยคตัดสั้นๆว่า นามป่าย่อมพัดพาผู้ที่หลับหลายชั้นใดนะความตายย่อมพัดพาผู้ที่หลงไหลในลูกในทรัพยนะ์ให้พิน้าชั้นนั้นพอฟังเท่านี้เองนางก็บรรลุธรรมเป็นพระโสดาบันจิตนิพพลิกเลยนะจากคนที่เจ็บปวดมีความเศร้าโศกผู้อญ่นนี่คือว่ากำลังโดนมัจจุมานมันเล่นงานเนามัจจุมารของที่เกิดขึ้นกับลูกเล่นงานเนาแต่ว่า พอได้เห็นเลยว่าโอ้ความตายเป็นของธรรมดาสังขารมันเป็นอย่างนี้เองมันไม่นายึดถือเพราะมันเต็มไปด้วยความทุกข์ความเศร้าความพัดพราดรวมทั้งความตายด้วยจิตที่เรียกว่าทราบซึ้งถึงความทุกข์อย่างเต็มที่นี่มันสา ม, มารถที่จะมีพลังที่จะพลิกให้เกิดปัญญาแล้วก็บรรลุรมได้ นางประ j a ลาก็เช่นเดียวกันพวกเราคงจะเคยดีในฟังเรื่องของนางปต aja ล า, าเสียทั้งสามีสามีก็โดนงูกัดตายเลยพาลูกสองคนกลับไปหาพ่อแม่ระหว่างทางเจอแม่น้ำฝนเพิ่งตกใหญ่ก็ไม่กล้าพาลูกสองคนข้าแม่น้ำก็ต้องค่อยๆพาไปทีละคนเอาคนเล็กไปก่อนยังแบ่บอกอยู่เลย พาไปแล้วก็ข้ามฝั่งได้ก็ไปให้นอนอยู่บนฝั่งก่อนแล้วค่อยเดินกลับไปข้ามน้ํากลับไปเพื่อจะไปพาลุยคนนึ่งข้ามมาเป็นคนโตพอมาถึงกลางแม่น้ําไอ้เดียวมันก็มันนึกว่าก้อนเนื้อมันก็เลยมาฆ่าเราลูกน้อยไปน้ําก็โบกมือไล่ลูกคนโตก็นึกว่าแม่เลียกก็เลยเดินข้ามแม่น้ํากระโดดน้ําพัดไปตาย 2คนตายไล่ๆกันเลยกลับไปถึงบ้านด้วยความเศร้าบอกกิดว่าพ่อแม่ซึ่งเป็นเศรษฐีก็เกิดฟ้าผ่าพ่อแม่พี่ตายหมดในกรองเพิงทับสมบัติก็ทินาศ้าสูญสิ้นไม่เหลืออะไรเลยเหลือแต่ตัวใจนิสลายเลยไม่ไหวทนไม่ได้เรียกว่ากระเซาอรกระเซิงจิตฟั่นเฟือนจนกระทั่งเสื้อผ้าผาผอนหลุดหมดแต่ก็โชคดีที่กระเซาอรกระเซิงมามาถึง สำนักของพระพุทธองค์ประโยคราทีพงศ์ตรัสกับนางประจัลาคือว่าน้องหญิงให้มีสติหน่อยว่าให้เธอมีสติพอพูดเช่นนั้นเขานางก็เกิดมีสติขึ้นมาและพอพงศ์สแสดงธรรมก็สแสดงธรรมเรื่องความทุกข์เนะ่พูดถึงความทุกข์ของคนเราว่าต้องเจอไม่รู้กี่ภพกี่ชาติน้ำตาที่ไหลามาเพราะความทุกข์ความพลัดพราก รวมแล้วมันยิ่งกว่ามหาสมุทริอีกน้ำในมหาสมุทรก็ยังน้อยกว่าน้ำตาที่ไหลจากความสูญเสียความพักพลาไม่มีอะไรเป็นที่พึ่งได้สักอย่างพ่อแม่พี่น้องลูกก็เป็นที่พึ่งอะไรไม่ได้แล้วก็ไม่สามารถจะช่วยได้ด้วยให้พ้นจากความตายนาอันนี้ก็เรียกว่าซาบซึ้งกับความทุกข์พอพระองค์ตัดเช่นนี้เขาก็เรียกว่า ปล่อยวางนะจากความยึดติดในรูปในผู้คนในทรัพย์สมบัติก็บรรลุธรรมเป็นพระโสดาบันทางดังที่ก่อนนานั้นอาจจะไม่ถึงชั่วโมงได้ซ้ําก็ยังมีสติฟั่นเฟือนอยู่เลยเรียกว่าโดนทุกเล่นงานแต่ความทุกข์นั้นก็สามารถจะเอามาใช้ให้เกิดประโยชน์ได้เมื่อมีสติให้ความทุกข์ที่ประสบอยู่นี่มันก็กลายเป็นพลังในการที่ปลุกให้เกิดปัญญาขึ้นมาได้ น่การที่คนเราเจอความทุกข์หรือว่าโดนมาเล่นงานไม่ว่าจะขันธรรมารหรือมาจุมารอันนั้นไม่ใช่ว่ามันจะเป็นเรื่องเลวร้ายไปสมุดมันก็เป็นประโยชน์เหมือนกันเพราะว่ามันจะเป็นพลังที่จะพลิกจิตให้เกิดปัญญาได้แต่ต้องมีอย่างหนึ่งที่สำคัญคือมีสติพอมีสติรู้ตัวเขาเนี่ยไอ้ทุกข์ที่มีนี่มัน กลายเป็นดีไปเลยนะจากที่เคยเรียกว่าทุกข์ระทมจนแทบจะไม่อยากมีชีวิตอยู่หมดสภาพฟัน่นเฟือนแต่พอมีสติขึ้นมานี่ไอ้ทุกข์ทั้งหมดที่เจอนี่มันกลายเป็นเชื้อให้เกิดปัญญาจนบรรลุธรรมได้คนที่ทุกข์นี่มีเยอะแล้วก็บรรลุธรรมยังมีอีกลายหนึ่งนะเป็นอมตสัน ต, ติอมตเก่งในเรื่องสงคราม ทำสงครามจนชนะพระเจ้าเปร์เซนิโกศโก็เลยมอบรางวัลโดยให้ครองราชสมบัติจุดวันสันตตียมมัยก็เลยเรียกว่าฉลองเต็มที่กินเหล้าทั้ง7วัน7คืนเลยแล้วพระเจ้าเปร์เซนิโกศโก็ให้นางฟอนลัมคนหนึ่งที่รูปร่างหน้าตาดีมากให้มาให้ความบันเทิงแกสันตติอมา ต, ตมาวันที่7นี้ปรากฏว่าสงสัยว่านางนี่คงจะไม่ได้พักผ่อนฟอนลัม มาตลอดเจ็ดวันพอถึงวันสุดท้ายก็เกิดเป็นลมขาดใจตายสันตติย ม, มาซึ่งกินเหล้าเมามายเจวันนี้พอเห็นอย่างนี้เข้าไปเรียกว่าช็อกเลยนะหายเมาเลยแต่เศร้าแทนเศร้าโศกเสี ย, ยใจมากจนทั้งต้องไปต้องไปหาพระพุทธองค์พระองค์ก็แสดงธรรมให้สติกับสันตติย ม, มารบอกว่าสันติย ม, มานี่ซึ่งกำลังเศร้าโศก และเพิ่งสั่งเมาแต่ว่าเศร้าโศกเสียใจยนี่จิตก็พลิกเลยนะเพราะเห็นถึงความไม่เที่ยงของสังขารมันปล่อยวางความยึดติดถือมั่นโดยเพราะเป็นเราเป็นของเราได้แล้วก็ปล่อยหมดเลยนะบรรลุธรรมเป็นพระอราหันในช่วงขณะนั้นเองนี่เลยว่าถ้าไม่เจอทุกเนี่ยจิตตัวไม่พลิกขนาดนั้นถ้าเป็นคนธรรมดาฟังธรรมที่พระองค์ตรัสก็อาจจะรู้สึกเฉยๆ แต่คนที่เรียกว่าเจอทุกข์มาเต็มที่เต็มเปล่าแล้วก็รู้เลยว่ามันไม่มีอะไรที่ยึดถือได้สักอย่างจิตที่มันเป็นทุกข์เนี่ยมันพร้อมจะปล่อยอยู่แล้วพอมีสติเห็นความทุกข์เข้าไปทีเดียวมันปล่อยทันทีเลยปล่อยในปล่อยสังขารที่เคยยึดติด อ, อันนี้ก็เรียกว่าอาศัยตัวรู้นะเจอขันธมายเข้าไปเจอมัจจุมาลเข้าไปแต่ที่จะเพลียงพร้ำคนธรรมดาก็เพลียงพรํำแต่พอมีสติเข้าไปรู้มัน มานี่มันกลับกลายเป็นประโยชน์นะทำให้บรรลุทำได้เพราะงั้นนี่เราอย่าไปกลัวความทุกข์นะอย่าไปกลัวอย่าไปยอมอย่าไปยอมแพ้ต้องรู้จักใช้มันให้เป็นประโยชน์เพียงแค่กําหนดรู้เฉยๆเพียงแค่รู้ไอ้ทุกข์ที่เกิดขึ้นนี่มันก็สามารถจะทําให้จิตพลิกได้จากที่เคยเป็นธาตถูกมันเล่นงานจนงอหัวไม่ขึ้นมันก็กลายเป็นอิสระขึ้นมา ทุกับตัวที่ทําให้พ้นทุกเนี่ยที่หลวงพ่อสังเกตเรียกว่าทุกกับความไม่ทุกเนี่ยมันก็ตัวเดียวกันสิ่งที่ทําให้เราทุกก็สามารถทําให้เราพ้นทุกได้สิ่งที่ทําให้เราแทบจะไม่อยากมีชีวิตอยู่มันก็กลับทําให้เรามีชีวิตที่เป็นอิสระเหนือความตายได้มันก็เหมือนกับสวิตนั่นนะสวิตที่ใช้เปิดไฟมันก็เป็นสวิตอันเดียวกับที่ใช้ปิดไฟแต่เปิดโทรศัพท์ เปิดปุ่มไหนก็ต้องเวลาปิดก็ปิดกุบ ป, ปุ่มน้ำเหมือนกันไม่ใช่ว่าคนละปุ่มหรือว่าเวลาเราจะล็อกประตูเนี่ยรูไหนที่ใช้ล็อกประตูก็เป็นรูเดียวกับที่ใช้ไขเปิดประตูออกมันอันเดียวกันเพะนั้นทุกข์กับความไม่ทุกข์นี่มันก็อยู่ด้วยกันบางท่านก็บอกเลยว่าเนี่ยในวัฏฏะสงสารมีนิพพานในจุดที่มันร้อนที่สุดก็เป็นจุดที่เย็นที่สุดได้เหมือนกัน เพราเวลาเราเจอทุกข์นะเราจะไปกลัวมันตั้งหลักตั้งสติและการที่เรากําหนดรู้เฉยเฉยหรือรู้ดูมันเฉยเฉยนั่นแหละมันจะมีอนุภาพที่ทําให้เราสามารถที่จะเป็นอิสระจากมันได้ถ้ามันเป็นมารที่มาปผจญเราเพียงแค่รู้เฉยเฉยนี่มันก็ล่าถอยห น, นีไปได้เหมือนกันโดยที่เราไม่ต้องทําอะไรไม่ต้องใช้ฤทธิ์ไม่ต้องใช้ปฏิหารอะไรทั้งสิน้น ให้เรามองนะความทุกข์ด้วยใจที่เป็นกลางรู้ซื่ อ, อทุกนั่นแหละมันก็จะสอนทำให้แก่เราได้จนทำให้เราเป็นอิสระจากความทุกข์เป็นอิสระจากตัวมันเอง